กุติการะสิกขาบทสิบสามถามพระผู้มีพระภาคอารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ทรงรู้ทรงเห็นทรงบัญญัติสังคาธทิเศษแก่ภิกษุผู้สร้างกุดีด้วยเครื่องอุปกรณ์ที่ขอมาเองณที่ไหนตอบทรงบัญญัติณเมืองอารวีถาม ทรงปรารบใครตอบทรงปรารบพวกภิกษุชาวเมืองอารวีถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่พวกภิกษุชาวเมืองอารวีสร้างกุฏิด้วยเครื่องอุปกรณ์ที่ขอมาเองในกุติการะสิกขาบทนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติบรรดาสมุดฐานแห่งอาบัติหสมุดฐาน เกิดด้วยสมุทฐานหกสมุทฐาน